ถึงชื่อของบุญเพงหีบเหล็ก น, นะคะซึ่งเป็นพระนอกรีดที่ถูกจับสึกเพราะว่าทำผิดวินัยสง์ ต่อมาตั้งตนเป็นอาจารย์ก็มีคาถาอาคมทำเสน่ห์เมตตามหานิยมให้ผู้ที่เชื่อในเรื่องของคุณสายแล้วก็ลงมือสังหารเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายคนแล้วคนเล่าเพียงเพื่อต้องการทรัพย์สมบัติมาเป็นของตนโดยอําพรางคดีด้วยการหั่นศพใส่หีบเหล็กและในที่สุดนะคะวิ ญ, ญญาณอาฆาตเหล่านั้นก็แสดงอาถรรพ์ให้ทุกคนได้เห็นค่ะ จนในที่สุดนะคะบุญเพงก็ถูกจับแล้วก็สารตัดสินประหารชีวิตด้วยการกุดหัวเป็นคนสุดท้ายของสยามประเทศเมื่อวันที่19สิงหาคม2462ค่ะก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขช่วงนั้นนะคะก็ได้มีการ ประหารนักโทษสำคัญท่านหนึ่งที่รู้จักกันดีในสมัยนั้นนะคะว่าบุญเพงซึ่งก่อคดีฆ่าคนตายมาหลายชีวิตค่ะแล้วก็ศพที่บุญเพงฆ่านั้นเนี่ยได้นำมาใส่ในหีบเหล็กแล้วก็โยนทิ้งน้ำทุกครั้งค่ะ สำหรับประวัติชีวิตของบุญเพงที่ถูกต้องก็คือบุญเพงเนี่ยเกิดเมื่อปีขานที่ท่าอูเทนมณฑลอุดรซึ่งบิดาเป็นชาวจีนมารดาเป็นลาวในสมัยนั้นคนภาคกลางยังเรียกคนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าพวกลาวนะคะมาอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุหขวบค่ะเดิมบุญเพงเป็นชายหนุ่มรูปงาม เป็นที่เรื่องลือกล่าวขานแต่ว่าเขาเนี่ยก็กำพร้าพ่อกับแม่ตั้งแต่เล็กอยู่กับตายายชื่อว่าตาสุขแล้วก็เยเพียนซึ่งเฝ้าเลี้ยงดูอย่างทนุถนอมตลอดมานะคะนอกจากเขาจะมีรูปร่างอ่อนแอเขาก็ยังมีกิริยา น, นอบน้อมเจรจาพาทีไพเราะละคะ่ะจนสาวๆทั้งหลายนีทอดสายตาให้ ส่วนวิชาที่บุญเพงร่ำเรียนมาเป็นวิชาที่ไม่ให้คุณใครและก็ตาสุกกับเยเพียนก็ตระหนักดีนะคะแกก็คอยห้ามปรามต่างๆนานาแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจจากบุญเพงเท่าที่ควรหนุ่มบุญเพงเป็นคนไม่เอาไหนค่ะการงานไม่อยากทําโดยปล่อยให้ตายายไปทำนาตามประสาส่วนตัวเองกลับสนใจวิชาทางด้านศิยศาสตร์และก็เวทมนต์และได้ขอไปเรียนวิชาอาคมกับตาปล่ ซึ่งตาปลเนี่ยนะคะก็เป็นสัปปะเรออยู่ที่วัดไผ่เคาะค่ะผู้ที่มีวิชาดีทางกำจัดพูดผีปีศาจแล้วก็ทำสเสน่ห์ยาแฝดแล้วก็หมอดูจนบุญเพลงเนี่ยเรียนจบครบหลักสูตรวิชาสยศาสตร์ค่ะต่อมาเขาได้เติบโตเป็นหนุ่ม ถูกตายายดุด่าห้ามปรามไม่ให้เล่นวิชาไสยศาสตร์เขาก็เลยทนไม่ไหวมุ่งหน้าเข้าสู่เขตบางลำพูที่บางกอกนะคะมาตั้งสำนักหมอผีอยู่ในสวนใกล้กันกับคลองบางลำพูค่ะก็เปิดสำนักดูหมอเสดเคระาะต่อชะตาชีวิตรับทําเมตตามหานิยมทาสเสน่ห์ยาแฝดแล้วก็ไสยศาสตร์ซึ่งขณะนั้นมีคนแวะเวียนไปมาหาสู่มากมายเลยทีเดียวจนเมื่ออายุได้20ปีบุญเพ่งได้บวชเป็นภิกษุที่ วัดเทวราชกุญชรแต่ว่าบวชเป็นพระภิกษุแล้วคุณผู้ฟังการประพฤติปฏิบัติตนนั้นเนี่ยไม่ได้ดีเยี่ยงสงฆ์ก็เลยถูกขับไล่ออกจากวัดแล้วก็มาขอจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งในตอนแรกเจ้า อ, อาวาสก็ไม่ยอมค่ะแต่ว่าบุญเพงสัญญานะคะว่าจะประพฤติตนให้ดีเจ้า อ, อาวาสจึงยอมเป็นเวลา9้าปีที่บุญเพงเป็นพระในพุทธศาสนา ตลอดระยะเวลาที่บุญเพ่งครองพระเหลืองพระบุญเพ่งเป็นพระที่ปฏิบัติแต่กิจไม่พึงควรค่ะล่วงอาบัตหลายประการไม่ว่าจะเป็นการดื่มสุราการเล่นการพนันก่อการไม่สงบร่วมกับพักพวกในวัดและได้ถูกจับศึกในที่สุด ก่อนศึกนั้นระหว่างปีพุทธศักราช2461กถึง2462กลางรัชสมัยที่6นะคะหรือว่ารัชกาลที่6ค่ะบุญเพงก็ได้ก่อคดีฆ่าคนโดยการยัดศพใส่หีบเหล็กถ่วงน้ำสองศพเพียง2ศพเท่านั้นคุณผู้ฟังศพที่ถูกฆ่าตายนั้นเนี่ยก็คือศพของในล้อมแล้วก็นางปริกนะคะโดยทั้งหมด ถ้าเพียงเพื่อชิงทรัพย์แล้วก็เอาเงินไปซื้อโุรามาดื่มกินแล้วก็ไปเล่นการพนันในวัดซึ่งถือว่าเป็นพระภิกษุที่ประพฤติชั่วไม่สมควรจะอยู่ในร่มของศาสนานะคะหีบที่ใส่เหยื่อรายแรกค่ะลอยตามน้ำและปรากฏขึ้นเมื่อปลาย ป, ายปีพุทธศักราช2460โดยชาวบ้านที่หากินด้วยกันงมกุ้งตามแม่น้าลาคลองนี่แหละค่ะเป็นผู้ได้พบเห็นหีบใบหนึ่งจมอยู่ก้นคลองบางกากน้อย แต่ว่าเมื่อเปิดหีบออกมาดูก็พบชายคนหนึ่งบรรจุอยู่ในนั้นทราบภายหลังว่าเป็นในล้อมพ่อค้าเพชรพลอยจากการสืบสวนพบนะ้ะว่ามีของอที่มีค่าเนี่ยได้หายไปก็เลยทราบว่าเนี่ยเป็นการค่าริงทรัพย์ซึ่งในเวลาต่อมาไม่นานค่ะเวลาพรเพลย์ของวันที่12มกราคม2461 ชาวบ้านย่านวัดใส่ม้าจังหวัดนนท บ, บุรีผู้หนึ่งก็ไปพบเห็นหีบใบหนึ่งค่ะลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพยาอยู่ที่หน้าวัดนะคะเมื่อช่วย ก, กันกับชาวบ้านอีกคนหนึ่งชักลากหีบขึ้นมาเปิดดูผู้คนที่มาดูต่างตกตะลึงค่ะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีศพของผู้หญิงถูกมัดมือมัดเท้าในท่านั่งยองๆ ย, ยัดอยู่ในหีบใบนั้นพร้อมกับมุ้งที่คลุมศพแล้วก็ก้อนอิฐเอาไปถ่วงหีบศพอีก8ก้อนนะคะ อำมาดเอกพระยานนทบุรีนครบาลจังหวัดนนทบุรีก็เริ่มสืบหาผู้ปกครองของหญิงเคราะหร้ายทันทีโดยแจ้งลงในหนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมลประจำวันอังคารที่14มกราคม2461และเพียงวันเดียวค่ะ คดีหีบรอยน้ำก็คลี่คลายไขยปริศนาอย่างรวดเร็วเมื่อรู้นะคะว่าเป็นศพของนางปริกภรรยาขุนสิทธิ์ที่คดีหรือว่าภรรยาของนายปลังค่ะซึ่งเป็นคนรวยมีทรัพย์สินมากคนนึ่งเช่าห้องอยู่ตึกแถว ถนนบกทหารเรือนะคะย่านที่ขายมุง้งหมอนข้างถนนพาหุรัตนั่นแหละนะคะส่วนบรรดาของผู้ตายค่ะก็ได้เข้าแจ้งความกับตำรวจบอกว่านั่งปรีกลูกสาวเนี่ยแต่งตัวไปงานที่สวนจิตละดาตั้งแต่วันที่7มกราคมโดยก่อนออกจากบ้านวันนั้นเธอได้รับจดหมายจากนายบุญเพง็ง ซึ่งมีความผูกพันในสมัยบุญเพงยังบวชอยู่บอกว่าให้ไปรับสร้อยที่นายบุญเพงยืมไปแล้วจากนั้นนางปริกก็หายตัวไปไม่กลับบ้านอีกเลยสงสัยว่านายบุญเพงคนนี้นี่เองจะเป็นผู้ฆ่าชิงสร้อยข้อมือนางปริกซึ่งมีความหนักถึงข้างละ10บบาทนะคะตำรวจออกตามล่าตัวนายบุญเพงทันทีค่ะซึ่งขณะนั้นบุญเพงก็เพิ่งศึกเหมือนกันเรียกว่าเพิ่งจะเป็นทิดบุญเพงแล้วมาแต่งงานกับนางสาวตาด ตำรวจก็ได้จับกลุ่มนายบุญเพงได้ที่บ้านนางบัวตำบลถนนตรีทองซึ่งนายบุญเพงเพิ่งแต่งงานกับนางตาลขอให้อ่านัางตาดนะคะลูกสาวของนางบัวในวันที่14มกราคมวันเดียวกับที่หนังสือพิมพ์ลงประกาศเรื่องพบศพนางปริกค่ะ นายบุญเพงกับนางปริกนั้นมีความสัมพันธ์กันอยู่ก่อนแล้วตั้งแต่ครั้งนายบุญเพงบวชอยู่ที่วัดสุทัศน์ก็ปรากฏว่าความคืบหน้าของคดีนางปริกเนี่ยได้โยงไปถึงคดีนายล้อมศพที่พบอยู่ในหีบจมน้ำผู้ต้องหามีคนเดียวก็คือนายบุญเพงซึ่งรับสารภาพว่าได้ล่อลวงนายล้อมแล้วก็นางปริกไปปลิดชีพเพื่อชิงทรัพย์ มาเป็นทุนแต่งงานกับนางตาดนะคะแล้วก็ในข้อหาฆ่าคนอย่างเฮี้ยมโหดนี่ก็ยอมรับโดยละม่อมแล้วค่ะและแล้วนะคะนายบุญเพงก็ต้องถูกจับไปไต่สวนสิ่งที่หลายคนเข้าใจของอาบุญเพงผิดเนี่ยคือเหยื่อทั้งหมดที่เขาฆ่าเขาไม่ได้ลงมือฆ่าคนเดียวหากแต่ละคดีบุญเพงจะร่วมมือกับเพื่อนเพื่อฆ่าเหยือ่อแล้วก็ช่วยกันเอาหีบเนี่ยถ่วงน้ํา คดีฆ่าในล้อมบุญเพงได้ร่วมมือกันกับนายพันอายุเพียงแค่19ปีเองคุณผู้ฟังที่เข้าไปมั่วสุมเล่นกับโปกม็มโปปันนในกุฏิพระภิกษุบุญเพงแล้วก็ได้ฆ่าในล้อมร่วมกันนำหีบมาใส่ศพแล้วก็ใส่รถเจ็กจากวัดสุทัศเพื่อไปถ่วงน้ำเรียกได้ว่าฆ่ากันในวัดเลยทีเดียวนะคะสำหรับคดีที่ก่อเหตุฆ่านางสาวปริกนั้นนะคะบุญเพงก็ได้ร่วมมือกันกับพระเจริญนายจรั รวมเป็นสามคนค่ะค่านางปริกแล้วก็ช่วยกันเอาหีบศพถ่วงน้ำโดยเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์สารพระราชอาญาได้พิจารณาคดีกับบุญเพงแล้วก็จำเลยในข้อหาฆ่าในล้อมแล้วก็นางปริกตายบุญเพงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโดยอ้างนะคะว่าเขาเนี่ยไม่รู้จักในล้อมมาก่อนและในล้อมไม่ได้ไปที่กุฏิเลย บุญเพงถูกตัดสินนะคะให้ถูกประหารชีวิตซึ่งเป็นการลงโทษที่หนักที่สุดซึ่งในช่วงประหารชีวิตนั้นค่ะก็ได้มีผู้คนมากมายมาดูการประหารชีวิตแต่ว่าไม่มีญาติพี่น้องของบุญเพงเลยสักคนแม้กระทั่งเจ้าสาวซึ่งยังไม่ทันจะส่งตัวเข้าหอก็ไม่มาเหมือนกันค่ะ คดีซ้อนคดีนี้สิ้นสุดลงในวันอังคารที่12สิงหาคม2462ศาลพระราชอาญาตัดสินให้ประหารชีวิตนายบุญเพงในวันที่19สิงหาคมปีพุทธศักราช2462นายบุญเพงถูกตัดหัวประหารชีวิตที่ลานประหารวัดภาษีแต่ก็มีเรื่องเล่าลือกันค่ะว่าในช่วงประหารชีวิตบุญเพงนั้นเพชชฆาตรำดาบอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ได้ลงดาบอันคมกริบลงบนคอ แทนที่จะคอขาดเลือดพุ่งกระฉูดกลับกลายเป็นว่าคมดาบนั้นเนี่ยไม่ได้ระคายเคืองผิวจนเพชฌฆาตพูดนะฮะว่ามีดีอะไรให้เอาออกซะเถิดหลังจากนั้นเพชฌฆาตก็เอาบางสิ่งบางอย่างออกจากนักโทษประหารบุญเพงนั่นก็คือพระค่ะแล้วก็เควียงทิ้งไปในกอไผ่คราวนี้เนี่ยก็เลยเริ่มรำดาบใหม่แล้วค่ะดาบหน้ารำจนบุญเพงเคลิมเผลอทันใดนั้นดาบหลังก็ฟันฉับลง คราวนี้คอขาดหัวกระเด็นจนเลือดพุ่งกระฉูดผู้คนที่มาดูต่างร้อง ว, วีดว้ระงมกันมีเรื่องเล่ากันนะคะบอกว่าว่ากันว่าขณะที่ศีรษะถูกคมดาบของเพชคฆาตฟันลงไปนั้นในช่วงวินาทีสั้นๆค่ะชาวบ้านหลายคนก็ได้เห็นมุมปากของบุญเพงขมุบขมิบเหมือนท่องมนต์คาถาอะไรสักอย่างหนึ่งศพของบุญเพงหีบเหล็กก็ถูกนาไปฝังไว้ในป่าช้านั่นเอง จนภายหลังนะคะญาติก็มาจัดการเผาศพตามพิธีแล้วก็กล่าวกันว่ารอยสักช่วงแผ่นหลังของเขาไฟไม่ไหม้ค่ะญาติก็เลยเก็บกระดูกใส่เจดีไว้ข้างโบสถ์วัดจนช่วงหลังเจดีถูกรื้อออกทางวัดภาษีจึงได้ให้ช่างเนี่ยปั้นรูปปั้นจำลองไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2537 ตั้งไวในสารเล็กๆติดกับวิหารซึ่งเป็นอนุสรณ์นะคะว่าเขาเนี่ยเป็นนักโทษประหารคนสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2474ก่อนเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองเมื่อวันที่24มิถุนายน2475สารลุงบุญเพงหีบเหล็กได้มีคนไปกราบไหว้บูชาเสียงโชคลางและเข้าใจค่ะว่าวิญญาณของเขายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดจนถึงทุกวันนี้เพื่อไถ่าบาปอีกนับร้อยนับพันปี บุญเพงเป็นนักโทษประหารชีวิตคนสุดท้ายที่ถูกประหารโดยการตัดคอเมื่อวันที่9สิงหาคม2462โดยศพนะคะถูกฝังอยู่ที่ป่าช้าแล้วก็ทำพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดภาสีเขตวัฒนาซึ่งปัจจุบันค่ะศาลของบุญเพงหีบเหล็กนั้นตั้งอยู่ที่วัดภาสีซอยเอกมัย23แขวงคลองตันเหนือกรุงเทพมหานครค่ะ มีตำนานเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องของการฝังคนทั้งเป็นเพื่อที่จะเป็นผู้เฝ้าหรือว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่สมัยโบราณกาลแล้วนะคะและเช่นเดียวกันค่ะกับตำนานที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์เกี่ยวกับตำนานของเนนมั่นและเนนคงและคำสาปแช่งจากเจ้าอาวาสวัดไตรภูมิต่อเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ ตามประเพณีไทยแต่โบราณมานะคะเมื่อจะมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามสิ่งที่จะต้องทำประการแรกนั่นก็คือหาเรือกยามดีสำหรับฝังเสาหลักเมืองแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะดำเนินการสร้างบ้านสร้างเมืองกันต่อไป เสาหลักเมืองที่ได้รับการฝังไว้ในปฐมนั้นไม่ว่าที่ไหนก็ตามสร้างเมืองเสร็จแล้วก็มักจะเป็นที่เคารพ บ, บูชาของชาวเมืองนั้นๆตลอดไปรวมทั้งชาวเมืองอื่นๆที่พากันเดินทางมายัางเมืองนั้นนะคะก็มักจะต้องแวะไหว้ศาลหลักเมืองหรือเสาหลักเมืองค่ะหรือเจ้าพ่อหลักเมืองกันจนเป็นถือว่าเป็นประเพณีกันไป หลักเมืองเป็นประเพณีพราหมณ์ที่มีมาแต่อินเดียไทยตั้งเสาหลักเมืองขึ้นตามธรรมเนียมพราหมณ์ที่จะเกิดหลักเมืองนั้นคงจะเป็นด้วยประชุมชนนะคะประชุมชนนั้นต่างกันที่อยู่เป็นหมู่บ้านก็มี หมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านรวมเป็นตำบลตำบลตั้งขึ้นเป็นอำเภออำเภอเดิมนั้นเรียกว่าเมืองค่ะเมืองหลายๆเมืองรวมกันเป็นเมืองใหญ่เมืองใหญ่ๆหลายๆเมืองเรียกว่ามหานครหรือเมืองมหานครนั่นเองทีนี้เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้โหนเนี่ยผูกชะตาเมืองกรุงเทพที่จะสร้างขึ้นใหม่นั้นหุนหลวงไน้ทุนกล้าวถวายดวงเมืองสองแบบ ก็คือดวงเมืองแบบหนึ่งบ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีเหตุวุ่นวายแต่ทว่าจะต้องมีอยู่ในระยะหนึ่งที่ประเทศไทยต้องตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติส่วนอีกดวงเมืองหนึ่งนั้นประเทศไทยจะมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทว่าจะสามารถรักษาเอกราชไว้ได้ตลอดไปปรากฏนะคะว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเลือกดวงเมืองแบบหลังเพราะพระองค์คงจะทรงเห็นนะคะว่าการที่จะต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นนั้นแม้บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนก็ไม่มีความหมายอันใดเมื่อสิ้นความเป็นไทยคะ่ะ ในสมัยรัชกาลที่ 4- ที่5นั้นบ้านเมืองต่างๆโดยรอบประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรพม่ามาลายูต่างตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและก็อังกฤษจนหมดสิน้นแม้แต่ประเทศใหญ่อย่างอินเดียก็ยังตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษค่ะ จะยังคงมีก็เพียงแค่ประเทศไทยประเทศเดียวเท่านั้นที่รักษาเอกราชคงความเป็นไทยมาได้เรื่องนี้อาจจะเนื่องมาจากดวงเมืองของกรุงเทพที่บรรจุอยู่นะปลายเสาหลักเมืองก็เป็นได้นะคะสําหรับเสาหลักเมืองกรุงเทพนั้นเสาเดิมจะเป็นอย่างไรก็คงไม่มีใครเคยเห็นเหตุเพราะว่าได้มีการเปลี่ยนเสาหลักเมืองกรุงเทพกันครั้งหนึ่งเมื่อสมัยรัชกาลที่4ี่โดยเสาหลักเมืองเดิมนั้นผุพังหมดสภาพไปนั่นเองค่ะ เสาหลักเมืองที่เปลี่ยนไปใหม่นะคะในสมัยพระบาทส่วนในพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนี้ทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ต้นใหญ่มากคือมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง30นิ้วสูง108นิ้วตรงปลายเสาทำเป็นรูปหัวเม็ดทรงมันบรรจุดวงชะตากรุงเทพไว้ภายในนะคะ แต่ว่าทุกวันนี้นะคะจะไปดูเนื้อไม้สักนิดหนึ่งก็มองไม่เห็นละค่ะเพราะว่าประชาชนผู้เคารพสักการะเสาหลักเมืองนั้นได้พากันปิดทองคําเปลเวจนกระทั่งเสาหลักเมืองอารามเหลืองเป็นสีทองราวกับหลอดด้วยทองคําทั้งแท่งทีเดียวเป็นการแสดงให้เห็นนะคะว่าเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั้นเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนมากเพียงใด มีตำนานและก็เรื่องเล่าที่ตรงกันในสถานที่หลายๆแห่งนั่นก็คือในสมัยก่อนเมื่อจะมีการสร้างเมืองซึ่งจะต้องสร้างประตูเมืองแล้วก็กำแพงเมืองพร้อมกันด้วยนั้นได้มีคติความเชื่อในสมัยนั้นนะคะว่าจะต้องนำคนมาฝังทั้งเป็นไว้ที่ประตูเมืองเพื่อเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์เฝ้าปกปักรักษาเมืองโดยจะใช้คนที่มีชื่อว่าอินจันมั่นคงอยู่ดี การสร้างเมืองเพชบรบณ์ก็เช่นเดียวกันค่ะเจ้าเมืองได้ประกาศให้หาคนมาฝังทั้งเป็นที่ประตูด้านที่ตะวันตกแห่งนี้แต่เนื่องจากเพชบรบณ์เป็นเมืองเล็กนะคะก็เลยทำให้หาคนที่มีชื่อตามต้องการนี่ได้ลำบากก็เลยประกาศให้หาเฉพาะชื่อมั่นและชื่อคงแม้กรณนั้นก็ดีค่ะการหาคนชื่อมั่นชื่อคงก็ยังหายากเราทหารได้ออกค้นหาหลายวันก็ยังไม่พบ จนถึงวันกำหนดพิธีเจต่าที่จะต้องจัดตอนเที่ยงจนเวลาใกล้เพลนค่ะเหล่าทหารก็ประกาศหาคนที่ชื่อมั่นชื่อคงมาจนถึงวัดไตรภูมิตะโกนว่ากระจองงองกระจองงองเจ้าข้าเอ้ยใครชื่อมั่นชื่อคงให้ออกมาหน่อยทีนี้ก็มีสมัมเณยสองรูปค่ะที่กวาดลานวัดอยู่ในวัดไตรภูมิตะโกนขานรับออกมาโว้ย เหล่าทหารก็เลยรีบไปคุมตัวมาจะนำเข้าพิธีเมื่อจเจ้าอาวาสเห็นเช่นนั้นก็ได้ออกมาห้ามปรามแต่ว่าเหล่าทหารนะคะก็ได้อธิบายความจำเป็นที่จะต้องนำตัวไปร่วมพิธีเพื่อบ้านเพื่อเมืองดังกล่าวทีนี้จเจ้าอาวาสเห็นเป็นเช่นนั้นก็ยอม แต่ขอให้เนนทั้งสองได้ฉันเพลนก่อนแล้วค่อยนําตัวไปแต่ว่าเหล่าทหารเห็นว่าเวลาใกล้จะเริ่มพิธีแล้วจึงได้นําตัวไปทันทีโดยไม่ยอมให้ฉันเพลนค่ะทําให้เจ้าอาวาสท่านกโกรธและสาปแช่งเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ทุกคนไว้นะคะบอกว่าเจ้าเมืองเพชรบูรณ์คนใดครองเมืองเพชรบูรณ์เกินกว่า3ปีขอให้มีอันเป็นไปจากนั้นเป็นต้นมาคุณผู้ฟัง ก็ไม่เคยมีเจ้าเมืองเพชรบ์คนใดครองเมืองนานถึง3ปีแม้แต่คนเดียวตราบจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะส่วนดวงวิญญาณของเนนมั่นเนนคงค่ะก็ได้สิงสถิตยอยู่ที่ประตูเมืองเรียกว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ให้การปกปักรักษาแล้วก็ให้พรแก่คนพิจิบุลมาช้านานโดยคนเพิชบุลนั้นเนี่ยได้สร้างศาลไว้บนป้อมประตูเมืองด้วยแล้วก็คนรุ่นเก่าๆที่อาศัยอยู่ในเมืองก็จะรู้ดีถึงเรื่องนี้มีการไปขอพอรบนบานสันกล่าวต่างๆและเมื่อผ่านไปมาก็จะยกมือไหว้กันทุกคนจนกระทั่งทุกวันนี้แล้วค่ะ ป้อมประตูชุมพลที่อยู่ทิศตะวันตกของเมืองนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะเห็นเป็นซากโบราณสถานที่ก่อด้วยอิฐประกอบด้วยหินทรายตั้งอยู่ที่บริเวณใกล้สีแยกถนนเพชรรัตน์ทางไปวัดไตรภูมิซึ่งยังคงมองเห็นได้จนปัจจุบันนี้ อันหนึ่งการฝังคนทั้งเป็นเพื่อให้วิญญาณเฝ้าเมืองนั้นเป็นคติความเชื่อในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีอิทธิพลความเชื่อมาจากศาสนาพราหมณ์ค่ะซึ่งก็ตรงกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของช่วงเวลาในการก่อสร้างกำแพงเมืองเพชรบูุญส่วนที่สารหลักเมืองปัจจุบันนี้ก็ตั้งอยู่บนป้อมปราการเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นมุมกำแพงไม่ใช่ประตูเมืองนะคะซึ่งเสาหลักเมืองเพชรบูุญนี้ตามหลักฐานของกรมศิลปากรเพิ่งมีการปัก เมื่อ100กว่าปีที่แล้วคือปีพุทธศักราช2443นี่เองซึ่งตอนนั้นบ้านเมืองเรานับถือศาสนาพุทธแล้วล่ะค่ะจึงคงจะไม่มีการฝังคนทั้งเป็นอย่างเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนนมั่นเนนคงจึงไม่ได้ถูกฝังอยู่ที่สารหลักเมืองในปัจจุบันนี้แต่อย่างใดนะคะ